ก็มีตั้งโนาช่งที่ก็มารวม ม, มารวมกันหลายหลายสำนัห า, ายนักหลายก็จะหแนะนำตัวเองได้ดีกว่าว่าปฏิบัติมาอย่างไรอะไรยังไงเนาะแต่ละคนไอนืมี่แต่ล ะ, ละท่านนะากาจะได้พูดในเรื่องประสบการณ์ตีเมื่อปฏิบัติม า, มามากน้อยแค่ไหน พอเข้าใจใไร้ลองการปฏิบัตนะิแล้วก็ได้เก็บอารมณ์มากี่ครั้งนะนี่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราก็เพิ่งมาเข้าร่วมกันช่วงงานบัตรปาสีบุรพานะป่าสีบุรพาก็ก็มีความตั้งใจที่จะอยากมาปฏิบัติต่อนะผมก็เลยบอกว่ามาปฏิบัติต่อก็มา เข้ามาที่ถ้ำนะเขามากิบอารมณ์กันก็เลยรวมกลุ่มกันมานะรวมกลุ่มกันมาเข้าได้กิบอารมณ์สิบห้าวันสิบนหะ้าวันในช่วงเดือนในช่ใงช่วงเดือนมกรานะตั้งแต่สิบสิบห้ามกลาถึงวันทะี่ถึงวันที่หนะึ่งถึงวันที่สาม ท, ทีเบ็แล้วก็พากันไปต่อที่ วัดเทปทานนะออกจากเก็บอารมณ์สิบห้าวั น, นแล้วก็มาช่วงหลังก็เลยต่างคนต่างกับก็เลยเรียกตัวกันมาอีกพร้อมกันเตรียมตัวที่จะเข้ามาเก็บอารมณ์หนึ่งเดือนกับหลวงพ่อก็มาร่วงหน้าก่อนก็ประมาณสิบวันอยู่ที่ถ้ำก็ขอแรงช่วยกัน ทำงานนะมีงานมีอะไรก็ช่วยกันแล้วก็ปฏิบัติปากันปฏิบัตินะเตรียมตัวเพื่อจะเข้ามากิบอารมณ์ก็สิบกว่าวันนะเข้ามารวมกันนะก็ยุดมาที่หลังก็มีนะมาทีหลังมาช่วงผมก็ไปรับนะไปรับที่อย่างจันแดงก็ไปรับที่เทพทานหลวงตาแบนนะก็แวะทางผ่านมาก็ไปรับมานะก็นัดกันไว้ว่าจะเข้ามากิบอารมณ์ แต่ทุกทุกท่านก็มีศรัทธานะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมนี่ก็แหกค่ายไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่ค่ายไม่ใช่ค่ายที่จังหวัดการแหกไปสองนะจังหวัดการนะอาจารย์อดวงศิลป์อาจารย์คมกิจนะช่วงนั้นก็แหกไปสองเดินหนีออกเลยนะได้ประมาณเจ็ดวันนะเจ็ดนะนะวันสิบห้าวัน ช่วงเนี้ยอห น, นีเลยแนะหกคายแต่ของเราคงไม่มีเพราะว่ามีศรัทธามีความตั้งใจแต่ชุดนั้นก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เอามานะแต่ก็เห็นว่าพอสู้ไหวแต่ทำไมม า, าจริงๆแล้วสู้ไม่ไหวแต่ของเราก็คงจะไม่มีแบบนั้นนะเพราะว่าเตรียมตัวกันมาแล้วนะมีความตั้งใจที่จะมากันนะก็จะให้อ่า เราเลยพูดนะได้แงงานตัวก่อนนะบอกชื่อแล้วก็บอกที่วัดด้วยแล้วก็การปฏิบัติด้วยนะครับผมก็ใช่ไหม่ตรงนี้เสียงใคยดังงูจัดการให ม, ม่ใส่ ขอน้อมน้อมพระคุณเจ้าผมผ่มเพิ่งพระบวชใหม่นะยังไม่ถึงสองเดือนครับเลืออีกเลือีกสี่วันก็ได้สองเดือนแหละที่วัดพนังคำติวนะก็หวงน้อง ก, ก็ส่งมาอาจารย์เข็มก็ส่งมาอ่ามา อบรมนะครับขอให้ครูบาอาจารย์นี้กรุณาอันไหนควรไม่ควรแนะนาสานวนกับผมด้วยครั บ, บโอไม่เคยเลยครับมีแต่ทาอยู่ที่สำนักล่ะครับเก็บประโลมมั่งปฏิบัติมั่งอยู่ที่ที่วารีนะครับเก็บประโลมไทยวันอาทิตย์หนึ่งครับผมเดินไปฝันฝืดได้จนไกนอน ไม่ได้ไม่ได้ทำครับมาวาหอเก็บอมาหลายประการครับทั้งขอบคัวท่านความคิดของตัวเองด้วยค่ะผมมีลูกชายคนเดียวครับ ครับครับสวยนะครับทําให้เนือบาก็แรงแลครับอ๋อหกสิบสามครับพี่น้องผมสี่ก็ว่ามารบน้นครับ่น้องที่ชายครับ ครับคุณครับครกับนักมาสการพราะอ า, ารย์ครับผมก็ปวดตั้งแต่เข้าพรรษาครับปีเดือนพรรษาหนึ่งครับ ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆครับเก็บอารมณ์มาสองครั้งแล้วครับวัดชื่อภาคภูมิฐานะวัโลครับมาจากวัดธรรมแสงเทียนอยู่ยุทธายาครับ ใ ช, ช่ดุดอน้องก็รอน้องรมา<อ>ค ร, ารับีที่ครับครับผมครับอกาสพระอาจารย์ผมพระอเนกชัยสิริวัฒโธมาจากวัดเทปทานครับพอดีได้พระอาจารย์แดงพามาปฏิบัติที่วัดรำแสงเทียนครับก็ ตอนนี้ก็บวชได้สองพรรษาเคเก็บอารมณ์มาสองครั้งครับครั้งแรกแค่นี้ครั้งแรกก็เก็บที่วัดธรรมกับหพอ่อสองครั้งครับ ก, ก็ยังยั ง, ย, งยังไม่คืนเต้เข้าใจเท่าไหร่หรอกครับยังอพอเข้าใจเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติอยู่เหมือนกันครับในเที่ยวนี้นะครับว่า รครับตั้งใจมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ <laughs> ครับครับครับเพราะโอกาสคณะสงับผมพระเกียงศักดิ์ปัตระโชโตอยู่วัดตาสิรุภาครับ ปีนี้ก็สองครั้งสามครั้งนะครับที่ได้เขาเจ็บปรมเจ็บปรมที่วัดบ้างตอนช่วงในพรรษาไปไปลายพรรษาก็สิบห้าวันปีนี้ก็อาจารย์ท่านก็โทรไปถามไปหาให้มาช่วยงานหน่อยกวางงานทําจะไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวทำก็เตรียมตัวไว้ว่าจะพาหมู่คณะมาเจ็บปรมด้วย เขถามอ่ะว่ารูปไหนจะไปเตือนหนึ่งไม่ธรรมดานะถ้าเขาเจ็บอารมณเจ็ดวันสิบห้าวันนี้ก็จะตายแล้วไม่ได้พูดก็เตรียมตัวให้พร้อมอีกรูปหนึ่งไม่กล้ามาเลยครับไม่กล้ามาป่วยป่วยกระทันหันเลยเ <c oughs> พราะว่าท่านเป็นคนพูดมากพูดเยอะก็อยู่อยู่ครับข็ให้ดูแลวัดเกี่ยวกับท่าน ง, งบอยู่ตอนนี้ ชอยู่ครับอยู่อยู่ก็บอกอยู่ว่าไม่ไปแล้งบเขไปเถอะแต่ตักผมทํามาเยอะแล้วอ๋อเยอะยังไงเนาะทีนี้เนาะก็บอกว่าเออถ้าไมนไปก็จะวัดตัวแลวัดแทงผมนะผมผมไหวเงี้ยหลวงพ่อเอาดูแลวัดอยู่นี้เมื่อวานก็โทรมาหาผมอยู่ว่าทําไมไม่โทรมาหากันบ้างผมหงจะตายอยู่แล้วอ้าวหงอก็หงอผมเลยปิดโทรศัพท์เล เราทำไมปฏิบัติมานานแล้วไม่นั่งเราผมผมก็เลยปิดตอรสับท์เลยไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยเลยขับไปเชื่อหรือเปล่าขับไปเชือรเปล่านี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ครับก็ตั้งใจว่าจากมาเข้าเจ็บอารมณ์เดือนหนึ่งว่าเออคิดว่ามันมันทอลอหดดีนะครับมันสู้กับสภาวะของเราที่เราหมักมุมมา เป็นเดือนเป็นนะฮะมันให้มาคลายออกกับการที่เราได้มาปฏิบัติว่าเราจะ เ, าเราจะอยู่ในสภาวะแบบไหนเวลาเราเราปฏิบัติเราจะมีความคิดควงมอุ่นวายในจิตในใจไหมมันเออถ้าเราได้มาพระถ้าเราได้เข้ามาเก็บอารมณ์เนี่ยผมถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดในการที่เราจะเป็นพระปฏิบัติในผมบวชมาก็เพื่อสิ่งนี้ครับเพื่อมาเป็นพระปฏิบัติธรรม ผมเรียนหนังสือไม่เก่งประยัดไม่เก่งไม่อะไรเลยไม่ชอบอ่านไม่ชอบฟังก็เนี่ย ค, คือพูดตรงๆก็แบบปฏิบัติเข้ามาเจอแล้วแต่แต่ปริยัดผมอะมันมั น, มนไม่ผ่านเลยครับไม่ปีนี่สามอะไรปีที่าปีที่ห้านะครับครับรครับผมนำมัสกรารหลวงพ่อครับ กาพระเทละแล้วคณะสงฆ์ผมชื่อพระอูนัทชนยานิสุสโลภาษาสามภาษาแรกอยู่ที่วัดถ้ำไม่ได้มีการเก็บประหลพอมาอยู่ที่วัดดอยก็ได้เก็บประหลครั้งเดียวเจ็ดวันครับ อความก้าวหน้ามันคงไม่เห็นนะครับหลวงพ่อแต่มันรู้ในตัวเองครับไอการกระทําของเราเองว่าถ้าเราจะไปวัดวัดความก้าวหน้าของตัวมันเหมันมัดยากมันต้องดูสภาพมันมันรู้ขึ้นเยอะครับหลวงพ่าแต่ก่อนเมื่อารมณ์มันเยอะมันอารมณ์แต่มันไปข่มอารมณ์ไว้ข้างหลังมาก็คือปล่อยไปเรื่อยๆคือปล่อยตามสภาพไปเรื่อยไม่ไม่ไปไปข่มอารมณ์แล้วทีนี้อารมณ์ที่มันขึ้นมาก็มันก็จะเบาลง ไม่เหมือนเก่อนครับครับสามสระศาณนะครับครับข้อก่าวคูบาอาจารย์ทุกรูปครับอ่าผมทวัชัยพระทวัตชัยกุรลจิตโตบวชที่พัดการีอำเภอเมืองขอนแก่นไปพักอยู่กับนมพิสัทธ์วัดป่าสรีบุรภาได้สามเดือนแล้วครับบวชตอนที่สิบเก้าเมษาเบ บวชสิบเก้าเมษาก็มาถึงตรงนี้ก็มีนาก็สิบเก้าเมษาก็เขาปีครับครับกเคยบวชหลายครั้งครับเคยก็เคยบวชทีละสามเดือนเข้าบรรษาขอลางานเข้ามาอย่างเงี้ยได้สามเดือนแต่การสังเกตนหน้าทีหน้าที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยน่าจะได้ปฏิบัติตอยางเมษาเนี่ก็ได้ได้ปีนึ่งคนเดียวได้เมษา เมษา ส, าสาิบเก้าเมษาเคยบวชที่รัฐพรรษาก็คือบวชตั้งแต่ปีห้าสามสามเดือนอธรรมกายแสนรูปทั่วไทยแล้วก็แล้วก็ปีห้าหกปีห้าหกก็สามเดือนเข้พาพรรษาเหมือนกันรวมกันแล้วก็น่าจะ 4, ส<า>ี่ครั้งห้าครั้งแล้วล่ะ ครั้งที่สองเลยครั้งที่สองก็คือไปวัดอาจารย์สุริยาครั้งแรกเลยไปกับอาจารย์ประเสรศิฐอาจารย์ประเสรศิฐอาจารย์สุวรรณบวชปุ๊บห้าบันไปเลย ไ, ไม่ได้อะไรเลยครับไปห้าบัน 5, 000, มันเรื่องในพันษามันได้ห้า ก, ก็ไปไปบ่อยมากด้วยไปกับอาจารย์สุวรรณอาจารย์ประเสรศิฐจนจําที่ไม่ได้แล้วล่ะฮะแล้วก็มันอยู่ในสามเดือน ก็่อบันษาก็สึก อ, อีกครั้งนี้ก็มาบวชอีกครั้งหนึ่งก็ลดความก็เลยมันสามครั้งอุบัติเหตุสามครั้งเดือนเดียวก็เลยไม่ไหวแล้วพี่น้องกห่วงก็บวชเลย่านก็ไป <laughs> ก็ไม่รู้กันเลยก็ไม่รู้กันกันก็น้นงงงองน้องน้อ ง, องพอด ผมพระทศพลโทศติโนครับมาจากวัดปานาโพวัดหลวงพ่อพระองครั์ในแนะนําจากอาจารย์สักดิกับอาจารย์แดงแนะนําครัำมามาเจ็บอารมณ์ดิผมเพิ่งบวชเมื่อหกกันยาปีที่แล้วครับเดืปีเดียวกันปีครับได้อฏิปบวชก็วันนี้รู้มาบวชไปสมัยเดือน หลงพอลงมอแล้วนะภาพก่อนครับแต่ยังไม่เคยปฏิบัติกัทนครับเคยทำมาก่อนเมื่อเดี่เกก่อนบวชไม่เคยเลยครับครับคนหน้าไปที่ไหนหรือว่ามาจากตางจังหวัดก็อยู่อาเภอนาโพครับก็อาจารย์ก็ไม่ค่อยอยู่วัดครับเจ้าอาวาสก็เป็นก็อยู่วัดสุทัศน์นองครับจะมารักษาการครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไม่ีการไม่มีครับ ครูาอาจารย์ก him ็ไม so so ่นิ okay. huh? 16, 000, ่ง <mountain> ําก็อยู่แล้ก็อยู่นั้นมันจะหลอบไม่ได้ารบปฏิบัติที่นครับก็ใหม่มาเลยนะครับผมมตั้งใจนะครับมาเก็บอารมณ์ที่อาจารย์พงศ์สิบสิบห้าวันสิบห้าวันคับก็ตามมาจะปฏิบัติวัฒนธรรมมาด้หนึ่ปฏิบัติวัรับเกดดีก็คงจะรับตั้งใจครับนี่ตุิมันยิ่ด นวัการหลวงพ่อแล้วก็พระสงฆ์ทุกท่านครับผมภพ่ครับพระวชชะทานากรโลครับวชชะทานาการโานากรโลครับท่านครับท่าให้ตัวเองให้สูงขึ้นได้เลยก็เป็นพระก็เป็นพระบทใหม่ครับว่าบทบทที่เก้าพุทธิริย์ครับเก้าทั้งวาระครับ มันเป็นเป็นครื่หายบุดปฏิบัติอยู่นั้นไม่ก็ไปครั้งแรกที่วัดหนองบัหลอดที่เจอหลวงพ่อแล้วครับน้องนองบัวหอดครับยากยากครับได้เข้าใจดูหนามบางไหยก็พอสังเกตครับทำรายงานได้ครับตอนก่อนบทกับบทมาแล้วอันไหนได้ปฏิบัติมากกว่า ผมก็ติดตามอาจารย์ไปเรื่อยๆครับเพื่อเท่ากันนะครับอยู่วล้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยครับปฏิบัติครับก็เข้าใจดูน้ำบางเรื่องก็พอรู้เล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วครับดีก็เดิมนครับส่งครับการคารวะหลวงพ่อครับครูบาอาจารย์อาจารย์พงษ์และพระธิราชทุกรูปครับกับคารวะคณะสงฆ์ มีโยมสองคนก็สวัสดีญาติโยมก็ผมชื่อพระบอล น, นะครับเรียกหลวงพี่บอลก็ได้บางคนก็อาจจะไม่รู้จักชื่อชื่อพระบอลพรรษานี้ก็พรรษาที่สี่เต็มเข้าพรรษาที่ห้านะครับการปฏิบัติก็รุ่มรุ่ม ด, นดอนๆครับไม่มี ก็ยังเรียนรู้ตัวเองเจ้าของอยู่ไปเรื่อยๆครับมันก็อ่าก็เข้ามาอยู่กับเจ้าของได้ดีกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ได้เก่งกว่าหรือว่าชัดเจนอะไรมากนะครับก็ยังก็จะพยายามฝึกฝนตนเองต่อไปนะครับขออนุโมทนาะทุกท่านครับ สี่ห้าปีก้าวหน้าไปถึงไหนก็ก็ชีวิตก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาหน่อยครับเกี่ยวกับความอยู่กับตัวเองขึ้นมานิดหน่อยไม่ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนครับอย่างเพราะว่า <c oughs> ปัญหาของผมก็จะเป็นเรื่องอาราคากำลัดราคาอะไรเงี้ยครับ ก็ผอเกินว่าอยู่กับพออยู่กับกับกับเจ้าของได้โดยที่ไม่ร้อนมากเมื่อก่อนจะมีจะจะจะร้อนกว่ากว่ากว่าทุกวันนี้ครับเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็รู้สึกเย็นขึ้นเพราะเพราะปัญหาของพวกเราก็จะเรื่องราคาเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแรกเรื่องสำคัญถ้าเราวางวางราคาได้ ทุกอย่างมันก็จะเริ่มจบครับอันนี้คือความเข้าใจของผมในเบื้องต้นครับครับ แ, แต่ว่าให้ความกรุณาของพ่อและพระครูบาอาจารย์ต่ทุกลูกครับครับผมพระพิทักษ์ชย่อุโทโธแต่ก่อนก็อยู่ทาแสงเทียนนี่ก็ออกมาอยู่ที่แสงเทียนทมได้สามปี ก็เคยจิยบอารมณ์เข้มจริงๆก็สองเดือนอีเดือนหนึ่งสองครั้งครับแล้วก็สิบห้าวันอีกห้าครั้งก็ตอนอยู่รีธรรมตอนนี้ก็ยังติ่งเต่ออกมาจากธรรมก็ไม่ได้เก็บอารมณ์เลยครับไม่เคยเก็บอารมณ์เลยรู้สึกว่าก็อยากกลับมาเก็บอารมณ์อีกครั้งว่าจะดูตัวเองว่ามันเป็นยังไงในระยะเเดือนหนึ่งมันจะ มีอาการง่วงไหมหรือจะฟุ้งซ่านไหมบางทีมันอยู่คนเดียวมันก็หรือไม่ได้เก็บอารมณ์มันก็มันไม่มั่นใจตัวเองอครับก็อยากทดสอบตัวอีกครั้งนี้สามปีครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปสร้างสำนักหรอกครับก <c oughs> <ๆ>็อาจจะ ไปอยู่ๆๆเจยตอนแรกก็พอออกมาจากธรรมแล้วก็ก อ, ออกมาไม่ชีไม่ว่าไม่ชีโตแล้วมม่ชีเอาตราได้แล้วมันชีไปอยู่ที่อื่นเถอะไปอยู่ที่นี่ก็ได้ไปหาครูบาอาจารย์ก็ได้เขาทำถ้าก็จะเอะไปอยู่ที่ตรงนั้นดูก่อนเพื่อคลายอารมณ์แล้วก็จะเข้าหาครูบาอาจารย์ก็คิดเป้าหมายไว้แค่นี้พอไปถึงปุ๊บโยมเขาก็บอกว่าตรงไหนสร้างศาลา แต่โอไม่ได้สร้างยังไม่สร้างเดี๋ยวจะทําให้หรอกเอาพายามุงให้หรอกไม่ได้นะเดี๋ยวปวกมันจะเจาะนะมันจะพังยมเขาว่าก็เลยเออถ้ามันเป็นอย่งงางนั้นก็ทําก็เลยนี่มันแกนปูงไปรับนะครับเป็นที่สงเป็นกรณีสงแล้วก็เลยฝืนทําฝืนสร้างมาปรุงแต่งครับโดยจงกงก็ปรุงแต่งเสบอารมณ์การก่อสร้างอย่างนี้แหละครับ จนอิ่มนะเศษปุงแดงไปทางนั้นทางนี้รู้สึกก็เตือนตัวเองนะอย่าลงตัวเองนะหลงตัวเองพึงบวชเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าตัวเองไปครับบวชให้ตัวเองที่ก็ไม่ใจบ้างทอดแท่ทใจบ้างแล้วก็เห็นความเบือ่อเยอะแยะเบือ่อเซ็งแล้วก็เห็นปัญหาหลากหลายเข้ามาทั้งเขาบอกให้เจมลดให้บ้างอะไรบ้าง พูดนิดๆหน่อยๆเขาก็ตีเป็นเลขไปนะครับปัญหาเยอะๆบางทีก็เขาก็แบบเป็นนั่นเป็นนี่ฝนไม่ตกก็เพราะว่ามีพระมีชีมาอยู่เป็นโอสารพัดเรื่องครับปัญหาจนจะเป็นประสาทนะครับบางทีว่าเป็นปอบผมก็เลยว่าเออปอบก็ปอบแต่ว่าดีเหมือนกันแหละคนจะได้มาควนแค่นนั้นแหละครับผม ครับนักบัสการหลวงพ่อมหาและคุณบาอาจารย์คณะสงฆ์ทุกทุกครับผมพระวิสุทตปะสีโลพระอภายทเกียบชาเชิงเสาครับวิสุท์ครับปะสีโลครับเด็ด ปัตตังแต่บว a นับสิบสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดพัดนแล้วครับผมว่าผมไม่ก้าวหน้าครับหลวงพ่อแค่รักษาตัวปฏิบัติแค่ปกครองตัวอยู่ ตลวนี่ก็กลับไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่บ้านสามปีเหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์ให้ไปอยู่สำนักวัดป่าเป็นบ้านเล็กๆสิบกาหลังลปฏิบัติแค่รักษาตัวนะ ข้ามาหาครับขรับสมทุกรูปกับอาจารย์ทุกรูปกับผมประพันโสรสมรักอ่เพิ่งจะเข้ามาเป็นน้องใหม่ครับยังไม่รู้ภาษีภาษาจะไหรก็เริ่มแรกก็ผมได้ไปที่สวนพันดาวไปฝึกกับหลวงพ่อที่นุนแล้วก็มาเก็บอารมณ์ที่ แต่แสงเทียนและก็มาอยู่ที่นี่ครับผมพัญษา ก, ก็ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเมื่อส like ี่แปดนี่เองครับหวยเมื่อสี่แปดครับผมก็สิบสองสิบสิบสองบรรษานี้ประมาณครับ ัวอย่างแล้วคือการปฏิบัติก็ใช่จะถามถึงการปฏิบัติผมก็ยังไม่เข้าขัน้นอย่างพี่ๆเขา กับเทการหวงมหาครับก็อากาศร้อนส่งผมปะโคฟกตาทมวัครับสมมานครับก็เคยว่าสึกปฏิบัติรับอาจารย์คมกิจครับได้สักระยานึ่งครับพอแยกกันก็ทิ้งไปหลายปีครับ แบบโกรธแบบบาทเรเลยนไปเรื่อยครับไม่มีวัดอยู่ครับกวัวมันจะตายก่อนก็เลยกลับมาอาจารย์พงศ์วันนมาเก็บอารมณ์นี้ได้ยินข่าวอาจารย์พงศ์จะพาเก็บอารมณเดือนหนึ่งครับเราจะมา เ, าเรื่องใหม่ครับมาปรึกใหม่พรรษาเท่าไหร่รพรรษาสิบสี่งล้วผมขอครับ <14. S 1> กระัมโ <laughs> ทอมอไปผมกับหลวงชายกากัพี่นันโทชื่อกับเบมันแบนอยู่แล้วมึงไอ้กลุ่ม อภิณฑลครับผมอ่ารรสาก็สิบเจ็ดก็ก็ผมโอกาสนี้ก็ผมก็เคยอยู่ก็พระพระเดชพรคุณหลวงพ่อมาพี่น้องบัหลอดก็เคยเจ็บอรมณอยู่อ่าประมาณหกเจ็ดครั้งก็มาอยู่ที่ธรรม อยู่ยครับลุงพระจารย์สมพงศ์ก็สี่ห้าปีครันนี้ก็แล่นเดินเดินทุหลงมาก็คิดว่าจะไม่นี่ไปอยู่ที่ใดอร อ, อกล่าวว่าจะกลับก็พอดียเขาก็เลยนิมนต์นิมนต์ไว้ให้ก่อสร้าง ก่สร้างอาตมาก็มีการต่อรองถ้าก่สร้างวัดถางวัตคุูอาตมาเขาจะไม่ไ ม, ม่รับปากญาติโยมถ้าก็สร้างการต่างภาคปฏิบัติให้พ้นโทษอย่างนี้อาตมาก็จะอยู่ ก็ได้เลยเอาก็าในรูปพระรูปนัง่งก็บวดเข้ามาใหม่ๆก็ลูพระรุอืมก็เดินองไปก้าไปที่ จ, ะจะ่าตริงจันทร์ท่านอยู่ที่นั่นอยู่ที่ของบ่าบนกบฏรัแคลนท่านกไปอยู่ที่ตริงจันท์ กลาบวดใหม่ๆกล้าทำกับผมเองกล้าเดินทุดงไปพอดีไปถึงตรง น, นั้นก็สว่างประมาณหกโมงเช้าพเพราะว่าเมืทุดงกลางคืนไม่ได้เดินกลางวันเนี่ยเพราะว่ากลางคืนนี้สัพยะมันรู้สึกว่ามันเสียงเปิดล้อมมันก็เอื้อําน่อยให้มันมีปรุงแต่งนิดนิดหน่อยๆก็ปรุงแต่งเรื่องผี เนี่ยก็ชีวิตของนัก บ, บวชที่ว่ดตเกียบประ ม, มาก็มีอยู่เจ็ดแปดครั้งที่อยู่กับหลวงพ่อมาอมนี่แหละชีวิตของนับบวดก็มีมีอะไรมา ก, กับถ้าบอกขมาก็มีกันที่ว่าปฏิบัติอย่างเดียวหนังสือผมก็ไม่ใช่เก่ง ไม่รู้ไม่ไม่ได้อะไม่ได้เข้าโรงเรียนมาก่อนก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็แนะนำให้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องหนังสือพอดีมันก็ได้ช่วงพอดีก็ที่ก็ผมพงศกิเลสของผมพอดีปีแรกผมก็ปีแค่นี้ครับผมก่อนที่จะสรุปอะไร ช่วงนั้นผมก็เอาช่วงฉันดีกว่าเป็นเรากาภาพพรมกันไปรับอาหาร